สรวมจิตใจนะใ ห, ให้อาศัยสถานที่ที่เป็นที่เขาสริละขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าสังเวชียสถานก็คือสถานที่ให้เราได้ได้ยึกถึงความจริงว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ต้องมีในกฎแห่งอนิจจังเหมืกันคือความเปลี่ยนแปลงความเสื่อมสิ้นความสลายไปพระองค์ต้องการให้เราเมีจิตใจเข้มแข็งมีจิตใจที่เข้มแข็งอาศัยเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระองค์สุขจิตสุขใจของเราให้เข้มแข็งให้จิตใจของเราเนี่ย เข้าถึงความจริงให้จิตใจของเราเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ความจริงที่จะให้จิตของเราเข้าถึงความจริงความจริงภายในจิตใจไม่ใช่ความจริงที่แค่เราได้ยินได้ฟังมาเห็นได้ยินได้ฟังและก็ผ่านไป ถึงแม้พิจารณาเข้าใจแล้วพ้ามันไม่เข้าถึงใจต่อไปมันก็ผ่านไปเหมือนกันการที่เรามาสัมผัสกับสถานที่จริงเหตุการณ์จริงมันเหมือนกับว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ามันมีน้ำหนักมากขึ้นยังจำได้สมัยที่เราเคยเคยอ่านนะ ว่าพระพระพุทธเจ้าเนี่ยพอท่านตรงาอายุสังขารเนี่ยพระก็พากันเศร้าโศกเสียใจนะพระพุทุชนเนี่ยพากันร้องไ ห, ห้ร้องไห้ลาพึงลาพันนะว่าโอ้ลมโพลมไซของเราจะสูญสิ้นไปแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปริพานแล้วจะพัดพากจากเราไปแล้วต่อไปนี้ พวกเราจะมีอะไรเป็นที่พึ่งหนอพวกเราจะมีใครเป็นผู้ที่คอยแนะนำท่าสอนเราคอยตักเตือนเราคอยอบรมสั่งสอนเราหนอแล้วก็ร้องให้ว่วกันว่าในตอนนั้นก็มีพระองค์หนึ่งท่านก็คิดต่างจากองค์อื่นคิดขึ้นมาว่าโอ้อีกสามเดือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสดาของเราจะปริมิทานแล้วทำที่พระองค์ทรงสั่งสอนเราอ่ะเรายังไม่ได้รู้แจ้งเรายังเข้าไม่ถึงสัจธรรมเหล่านั้นเลย <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นอย่าเลยเราจะไม่ยอมเสียเวลามานั่งร้องไห้รำพึงรำพันอย่างที่หมู่คณะทำกันเราจะหลบไปหาที่สงบสงัด ตั้งใจประพฤติธปฏิบัติทำประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตั้งใจว่าจะให้คําสอนของพระพุทธเจ้ามาแจ้งชัดภายในจิตใจของตัวเองให้ได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงอบรมสั่งสอนจะให้จิตของตัวเองเนี่ยเข้าถึงความจริงให้ได้หำมันลึกซึ้งเข้าไปถึจิตถึงใจให้ได้พอตั้งใจอย่างนั้นแล้วก็ปลีกตัวไป ห่างไปจากมูขคณะเป็นที่สงบสงัดแล้วก็เดินจงกรมแล้วก็นั่งภาวนาสัมรวมจิตใจอย่างเต็มที่เนีย่ยถึงแม้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะต้องสัมรวมจิตใจเราให้ดีเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามสิ่งเหล่านั้นผ่านมาแล้วก็ต้องผ่านไปเกิดขึ้น แล้วก็ดับไปมันเป็นกฎแห่งธรรมชาติเป็นกฎแห่งธรรมดาเราต้องเอาประโยชน์ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราสำรวมจิตใจเราให้ดีสิ่งเหล่านั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่มาสอนจิตสอนใจเรามาเตือนจิตใจเราทำให้จิตใจของเราเนี่ย มองเห็นความจริงเข้าถึงความจริงเนี่ยคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือเรื่องราวจริงๆของจริงที่มันเกิดขึ้นประจําประจําวันนี้แหละเนี่ยอย่างมันผ่านมาเมื่อกี้เออมีเสียงบ้างเนี่ยเสียงเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็สอนมาสักแต่ว่าได้ยินหมายก็ว่าให้จิตของเราเป็นอุเบกขาไว้เสียงก็สักแต่ว่าเสียงเี่ยมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปหรือในขณะนี้รอบๆตัวเรามันก็เป็นสิ่งแวดล้อม มันก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมันดับไปตามธรรมชาติของมันถ้าหากว่าเรารักษาจิตได้เนี่ยจิตของเราเนี่ยมันก็จะเรียนรู้ความเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมดาจากเหตุการณ์จริงๆนี้แหละเราสมควรเกี่ยวข้องยังไงมันมีความสำคัญตรงนี้สิ่งแวดล้อมภายนอกมันเป็นธรรมชาติมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันอย่างนั้นเองแต่ว่าเราควรเกี่ยวข้องกับมันยังไง ยแต่ภายในจิตใจของเราเนี่ยต้องเป็นอุเบกขาไว้ก่อนต้องรู้ความจริงให้เข้าถึงความจริงซะก่อนเนี่ยส่วนข้างนอกควรเกี่ยวข้องยังไงเนี่ยมันถึงจะได้ประโยชน์มันถึงจะไม่เกิดโทษส่วนใหญ่แล้วเนี่ยภายนอกมันไหวไปก่อนแล้วเนี่ยมันวูบวาบไปแล้วบางทีก็โกรธเคืองขึ้นมาอไม่พอใจก็คิดนึกปรุงแต่งไปออย่างหนึง่ง พอใจกับคิดนิดปรุงแต่งไปอย่างหนึง่งการกระทําก็เป็นไปอีกอย่างหนึง่งนี่คือเราไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ถัดภาพพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าก็หมายของมาอะไรเกิดขึ้นก็าตามเราต้องมีสติควบคุมจิตใจเราได้ใจเราต้องมั่นคงใจของเราเนี่ยต้องมีปัญญาที่รู้ว่าอ๋อทุกอย่างมันเกิดขึ้น ตามเหตุตามปัจจัยของมันมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดาสรุปแล้วไอ้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องลึกลั บ, บไม่ใช่เรื่องลี้ลับอะไรเลยแต่เป็นเรื่องธรรมดาเพราะนั้นพระพุทธเจ้ายึงย้าอยู่เรื่อยๆว่าสิ่งที่พระองค์ทรงตัสรูเนี่ยพระองค์จะอุบัติขึ้นก็ตามไม่อุบัติขึ้นก็ตามสิ่งเหล่านั้นมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพระองค์อ่ะ มาตัสรู้ก่อนมาร้รู้ทั่วถึงก่อนแล้จึงนำมาสอนนะสมัยที่อ่านพบไอ้ไอที่ว่าพระปิฏฐเนี่ยที่ว่าพอองค์อื่นอ่ะพระปุถุชนพอรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพานก็พากันร้องห่มร้องไห้เสียกเสียใจจับกลุ่มกันด้วยนะถ้าหาว่าพราะอรหันต์นะท่านก็โอ้พระพพระพุทธเจ้าผู้ที่มีคุณอันประเสริฐมีคุณอันยิ่งใหญ่ พอถึงเวลาก็ต้องพัดภากจากไปต้องแต่ดับสลายไปหนีไม่พ้นกฎแห่งธรรมชาติกฎแห่งธรรมดามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างแท้จริงเนี่ยท่านก็จะวางท่าทีภายในจิตของท่านแต่ถ้าหากว่าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ก็คงทําประโยชน์ได้มากเนี่ยในใจลึกๆ ก, ก็อยากให้พระองค์ทรงพระชนอยู่นั่นแหละแต่มันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริง ทีนี้พอพระปิษาไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิพยายามเพราะตั้งใจว่าจะให้ตัสรูธรรร้ธรรมให้บรรลุธรรมก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปารินิพานพระพุทุชนก็พากันนินทาเนี่ยเอามาเอามาวิาพากวิจาร์ดูสิรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพานก็ไม่ยอมร้องโหยร้องไห้แสดงว่าไม่รักไม่เคารพในพระองค์ไม่เหมือนพวกเรา เนี่ยพวกเราเนี่ยมีความรักความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งถึงจิตถึงใจเลยรู้ว่าพระองค์จะปรินิพานเนี่ยปิดกั้นน้ําตาไว้ไม่ได้ระงับความเศร้าโศกเสียใจไม่ได้เนี่ยเพราะว่าความรักนะ่ยมันล้นจากจิตจากใจจนกระทั่งร้องหม่มร้องไห้เสียหกเสียใจลำพึงลำพันทุกวันเนี่ยทีนี้พอมีคนฟ้องพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านก็เรียกประชุม <c oughs> เรียกประชุมเรียบร้อยแล้วก็ตั้งถามพภิกษุขึ้นมาดูก่อนณิษาที่มีมามีผู้ที่มาฟ้องเราตถาคตว่าเธอเนี่ยไม่รักไม่เคารพในเราตถาคตรู้ว่าเราตถาคตจะปรินิพานเธอก็ไม่ยอมร้องหม่มร้องไห้ไม่ยอมเสีย อ, อกเสียใจเนี่ยมันเป็นยังไงอ่า เธอกลับไปเดินจงกรมในป่าไปนั่งสมาธิในป่าองค์เดียวเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่าปฏิสัพกพันมนมืองตอบอความจริงว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้านะรู้ว่าพระองค์จะปรินิพานแล้วก็คิดขึ้นมาว่าธรรมะที่พระองค์ทรงอบรมสั่งสอนซึ่งพระองค์เนี่ยมีพระเมตตา เพียนพยายามอบรมสั่งสอนสาวกของพระองค์ตลอดเวลาที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่นี้ข้าพระพุทธเจ้านะ่ยยังเข้าไม่ถึงธรรมะของพระองค์เลยยังต่อพฤติปฏิบัติไม่มากพออินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพอกจึงไม่สามารถลุ้นทั่วถึงธรรมนั้นไม่สามารถบรรลุมรรคผลและนิพพานพ้นจากทุกเนวตตะสงสารได้ข้าพระพุทธเจ้าจึงตั้งอกตั้งใจ ไปประพฤติปฏิบัติธรรมสำรวมกายวาจาจิตใจเดินจงกลมนั่งภาวนาเพ่งทินิทพิจารณาตั้งใจว่าจะให้จิตใจเนี่ยมันรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมรู้ความจริงทั่วถึงตั้งใจว่าจะให้จิตใจเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์หมดจดไม่ให้มีอะไรมาครอบงำอําพางได้อีกพอพักอิสะ ต่อไปอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสาธุสามครั้งเลยสาธุสาธุสาธุาธดีแล้วติกษะขอให้ภิกษุทั้งหลายจงเอาอย่างติกษะเถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายการบูชาเราตาพาคตมีสองอย่างนี่แหละที่ประโยคที่ว่าบูชาพระพุทธเจ้ามีสองอย่างสองอย่างคือ1น่บูชาเราด้วยดอกไม้ทูกเทียนข้าวของเงินทองวัตถุต่างๆเรียกว่าอามิดบูชาเป็นการบูชาเทียม ก็มีประโยชน์เหมือนกันแต่ว่าถ้าเทียบกับการปฏิบัติบูชาแล้วการปฏิบัติบูชานี้มีคุณค่ามากเป็นการบูชาเราอย่างแท้จริงบุคคลใดต้องการบูชาเราแตถาคตให้ปฏิบัติบูชาเธอนี่แสดงว่ามันมันสามารถเปรียบเทียบได้ว่าการบูชาพระพุทธเจ้าน่ะบูชายังไงมันจึงมีคุณค่า บูชายังไงที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญบูชายังไงมันจริงธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงเกิดคุณเกิดประโยชน์แก่จิตใจของเราถ้าหากว่าเราบูชาแต่วัตถุแต่อามิตแต่ว่าด้านการปฏิบัติของเราเนี่ยเราไม่เพียรเราไม่พยายามเราไม่ตั้งตั้งใจพุ่งปฏิบัติเนี่ยธรรมะ ที่จะมีคุณมีประโยชน์ต่อจิตใจที่จะมีคุณค่าต่อจิตใจเนี่ยมันก็ไม่สามารถเข้าถึงจิตใจเราได้แต่ถ้าหากว่าเราตั้งอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีผลต่อจิตใจของเราทีนี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานเนี่ยเคยจําสาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าสุพัทธ์ปริภาชกตาม พระพุทธเจ้าตั้งใจว่าจะมาถามปัญหาพระพุทธเจ้าคือเป็นเป็นสาวกย่วเป็นคนละที่อื่น่ะนะก็ไปทางไหนไปคำสอนศาสดาองค์นั้นก่อคำสอนก่อดีองค์นี้ก่อดนะีต่างก็ประกาศว่าคำสอนของของแต่แต่ละละทัทธิเนี่ยทาให้สามารถหมดสินอาสะวะกิเลสได้ทําให้พ้นจากทุกนเนวตะสงสารได้ สุภัทภบาลีภาชคเนี่ยก็เกิดความสงสยัยว่ายังไงก็ตัดสินใจเดินทางจะมาพบพระพุทธเจ้าในขณะนั้นองค์สมเด็จกระสมมาสัมพุทธเจ้าก็นอนป่วยอยู่พระอานนุ์มาถึงแล้วพระอา น, นุ์ก็เห็นว่าพระพุทธเจ้ากําลังป่วยหนักก็เลยห้าม <c oughs> ไม่ให้เข้าไปในขณะที่กําลังถกเถียงกันอยู่เนี่ยกำลังพูดกันอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าได้ยินพระพุทธเจ้าเนี่ มีเมตตามากทั้งทั้งที่ป่วยหนักแล้วเนี่ยอาการก็รอแหลแล้วแต่ก็ยังตัดกับพระอ น, นุหนวดดูก่อนอ น, นุให้สุภัะเข้ามาเถิดสุภทะก็เข้าไปพอเข้าไปแล้วสุภัทะก็ตั้งปัญหาถามก็ถามลักษณะนี้แหละว่าเออลทัทธิเนี่ยมีมากหลือเกินศาสดามีมากหลือเกินแต่แต่ละละทัทธิก็อ้างว่าลทัทธิของตัวเองเนี่ย สามารถทำให้บรรลุมรรคบรรลุผลบรรลุนิพพานได้สามารถทำให้หมดอาสวะกิเลสได้ทำให้พ้นทุกข์ได้เกิดความสงสัยขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็รีบตัก บ, บทว่าดูก่อนสุภะทะร่างกายของเราเนี่ยประชวนมากแล้วอาการรอ แ, แล้วเธออย่าเสียเวลาเลยรับทิใดคำสอนใดก็ตามที่มีอริยมรรคมีองค์ปดคสอนนั้นแหละ ถ้านำไปประพฤติปฏิบัติแล้วสามารถทําให้พ้นทุกได้หมดสิ้นอาสวะกิเลสได้นี่แหละที่มีประโยคว่าตราบใดที่ยังมีบุคคลปฏิบัติชอบไใจโลกจะไม่ว่างเว้นจากพระอรหัาานต์ก็หมายความว่าปฏิบัติโดยมีมักมีองแปดเนี่ยเป็นเครื่องดําเนินมักมีองแปดเนี้ยบางทีท่านพูดกงกว่าว่าเป็นการประพฤติพรมจันเวลาไปประกาศก็ ประกาศพรมมจัมถา้าถ้ามองในแง่นี้ก็คือหมายข อ, เ, อเป็นหลักในการดําเนินชีวิตถ้าหากว่าใครนําเอาอริยมรรคมีองแปดไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันไปทําให้วิถีชีวิตเนี่ยมันจเจริญขึ้นความเป็นอยู่ของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นการปฏิบัติธรรมธรรม ท, ท, ทีเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นอริยมรรคมีองแปดหรือว่าการประพฤติพรมมจรย์ น, นี่ยมันอันเดียวกันเนี่ย ทีนี้อริยามรรคมีองค์แปดเนี่ยสมัยที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยเราก็เจริญสติปัฏฐานสี่ไปเรื่อยๆแต่พอสติปัฏฐานสี่มันมันมันเริ่มมีกําลังมากขึ้นเดียกวกัสติสัมปชัญญะมันมีพลังมากขึ้ น, นตัวเองเนี่ยจำได้น ะ, จะเจริญสติใหม่ๆเนี่ยกําลังก็ยังไม่มากพอหรอกคือไอไอ้ที่ว่า จงกลมนัง่งภาวนามีสติเห็นความเกิดเห็นความดับแต่ปฏิวัติไปตั้งหลายปีแล้วตั้งแต่เป็นโยมก็หลายปีฟังไอ้ที่ได้ยินว่าเทศลำดับยานอะไรนั่นเนี่ยสองเที่ยวสองเที่ยวว่าวิชาครูเขาก็สอนให้แต่ว่าเอ๊ะทำไมนะจิตใจของเราเนี่ยมันก็ยังมีอะไรอะไรค้างคายอยู่ในจิตใจอยู่อ ะ, อะเราจะมา เขาก็อยากให้เป็นอาจารย์นะพระผู้ใหญ่พระเทระผู้ใหญ่เลยนะในกรุงเทพนิมนต์เข้าไปาเข้าไปแล้วก็มีญาติโยมที่สายอุปธรรมอะไรนี่ละก็เหมือนกับว่าอยากจะให้เป็นอาจารย์ในสำนักที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีอุปถาอุปธรรมแล้วก็ดูเหมือนว่าต่อไปก็คงจะมียศมีอะไรขึ้นมาอย่างนั้นละเราฟังแล้วเราเฉยเฉยเพราะอะไร เพราะในความในใจลึกๆเนี่ยเราเราต้องการไม่ใช่สิ่งสิ่งนี้ไม่ใช่ที่จะมาเป็นครูบาอาจารย์อย่างนี้มันเหมือนเรามีอะไรสักอย่างนึงอะที่มันต้องการอยู่ในใจลึกๆก็ไม่ตอบอะไรเลยอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆคาตอบอยู่ในใจก็คือว่าเราจะออกปฏิบัติทําให้เต็มที่เราไม่สนใจความเป็นครูบาอาจารย์เราไม่สนใจไ อ, ไอ เกียรติยศชื่อเสียงอะไรอย่างนี้ก็กลับมาพอ ก, กลับมาแล้วได้โอกาสเราก็ออกไปตอนนั้นเขาให้เป็นอาจารย์แล้วก็สอนไปปฏิบัติไปสอนไปนทีนี้พอปฏิบัติแล้วหลายปีรู้สึกว่ากำลังภายในจิตใจเนี่ยมันไม่มากพอความสงบอะไรก็มีเห็นความเกิดดับก็เห็นอยู่ แล้วแล้วเราเล่าแล้วแล้วเราเล่าผ่านมาผ่านไปก็เลยคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมนะจิตใจของเราก็ดีขึ้นการปฏิบัติธรรมก็ก้าวหน้าขึ้นแต่มันเหมือนว่ามันไม่สามารถที่จะไปยังจุดหมายปลายทางภายในจิตได้คือจิตเนี่ยมันเหมือนกับมันมีมันมีจุดจุดหนึ่งที่มันอยากจะไปแต่กําลังไม่พอถอยไปถอยมาถอยขึ้นถอยลงอยู่ อันนี้รู้ภายในจิตก็เลยตัดสินใจว่าเอาละ่ะไหนว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเราจะนั่งเพิ่มเวลาขึ้นไปทุกขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องสอนจิตเราให้ได้ทําให้จิตยอมรับให้ได้ว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าให้นวัวเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรากายก็ต้องไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราด้วยนะแล้วก็คิดว่าน่าจะเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เราจะพิสูจน์ตัวเราเอง ว่าจะยอมรับได้จริงไหมว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของเราจริงขันห้าทั้งปวงเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงเราจะเอาความจริงเนี่ยมาพิสูจน์กับใจเราเนี่ยก็เลยนั่นแหละตั้งอกตั้งใจมาพื้นปฏิบัติในพรรษานั้นโอ้ตอนนั้นตอนนั้นก็บวชมาตั้งพรรษาที่เจแล้วนะพรรษาที่เจแล้วยังยังไม่ได้มักได้ผลอะไร แต่ว่ารู้ว่าจิตใจนี้ค่อยๆเจริญก้าวหน้าขึ้นจากนั้นพอสู้เวทนาเนี่ยมันต้องใช้กำลังใจสูงมันต้องใช้ความอดทนใช้สติใช้ปัญญามากนมันก็กำลังใจนี่เหมือนกับมากขึ้นมีไอ้ไอ้สิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเนี่ยก็รู้เห็นขึ้นมาจิตเนี่ยมีอาการที่ปล่อยวางกายบ้างปล่อยวางเวทนาบ้าง ปล่อยวางจิตบ้างความสุขความว่างใดบ้างเป็นระดับระดับไปก็เลยมารู้ว่าอ๋อที่เราปฏิบัติมาหกปีเนี่ยกำลังไม่พอเราเดินจงกรมธรรมดานั่งภาวนาธรรมดา้าตามดูตามรู้ตามเห็นเนี่ยกำลังหมายถึงว่ากำลังในที่นี้คือสติก็ยังไม่มีกำลังพอสมาธิไม่มีกำลังพอปัญญาศรัทธาความเพียรกาลังไม่พอ จิตเนี่ยมันตั้งมั่นไม่เพียงพอมันก็เลยประหามกิเลสไม่ได้แต่พอตัดสินใจอย่างนี้แล้วเราพยายามเต็มที่เป็นยังไงก็เป็นกันสู้กันจนกระทั่งก็เห็นชัดเจนแหละว่าไอ้ความทุกข์ทั้งปวงเนี่ยเนี่ยมันมั น, ม, นมันเกิดแล้วก็ดับได้จริงเพียงแต่ว่าจิตของเราเนี่ยไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเนี่ย แต่ความทุกข์มันก็ดับไปจากจิตใจเราได้ในครั้งแรกที่เห็นเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมันมีความมีความรุนแรงมันมีความถึงอกถึงใจมันเหมือนกับว่าจิตเนี่ยมันมันมันมันไม่ได้อยู่ในโลกนี้ในขณะนั้นในแวบนั้นเห็นเหมือนว่าจิตของเราเนี่ยเออมันมันเหมือนมีอะไรเข้าไปไม่ถึงได้จริงเนี่ยมันก็ปรากฏขึ้นมาจากนั้นก็มีกาลังใจที่จะปฏิบัต พอเอาอีกหากตาบใดที่ยังยึดร่างกายอยู่ก็แสดงว่ามันต้องยึดเวทนาถ้ายังยึดเวทนาอยู่ก็แสดงว่ายังยึดร่างกายอยู่ไหนพระพุทธเจ้าสอนว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้ามันยังมีตัวเราอยู่ก็แสดงว่ายังยึดขันห้าอยู่เราก็สู้อีกสู้บางทีบางทีมันร้องไห้นะมันเจ็บปวดมากมเนี่ยเออร้องไห้ตอนนั้นอ่ะแปลกนะจิตมันบอกว่า อะไรร้องมันถามตัวเองถามตัวเองในขณะนั้นอะไรร้องมันก็สอบสวนลงไปว่าร่างกายก็ดินน้ําไฟลมเท่านั้นเนี่ยท่าทั้งสีเนี่ยมันร้องไม่เป็นหรอกมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรมันไม่มันมันมันไม่ได้รับรู้อะไรเนี่ยจิตจิตก็เป็นทารุเฉยเฉยในขณะนั้นมันเป็นทารุจริงจริงนะมันเข้าไปถึงจุดจุดหนึ่งอะ่ะจิตก็สัตย์ไว่ารู้เอาแล้วอะไรร้อง อ๋อกิเลสร้องเหรอเอาร้องไปเลยทีนี้เนี่ยพอมาถึงจุดนี้ไม่กลัวเลยมันจะเป็นจะตายก็ช่นเหมือนกับว่าจะเอากิเลสเนี่ยให้ตายไปต่อหน้าต่อตาอะไรแบบนั้นนะนะมันเป็นความรู้สึกในขนาดนั้นเนี่ยซึ่งมันก็ผ่านไปอีกเนี่ยมันก็มันก็เห็นว่าโอ้โหอาการที่จิตเนี่ยมันไปมันไปยึดร่างกายมันเหนียวแน่นจริงๆนะมันมันเห็นชัดแจ้งในในในครั้งที่สองเนี่ยชัดเจนจนกระทั่งร้องไห้เลย น้ำตาล่วงคราวนี้ล่วงคนละแบบร่วงเพราะว่าอเนจอนาฏจิตใจของตัวเองที่มันหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ยซึ่งมันทําให้เนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดของตัวเองเนี่ยไม่รู้กี่พหกกี่ชาติกี่กักระกี่การกี่อสงไขยแล้วเนี่มันลำพึงขึ้นมาอย่างนี้นะมันลำพึงของมันเองโดยไม่ต้องคิดน้ําตาก็ออกมาออกมาเพราะว่าอาการอันนี้ที่มันมันลึกซึ้งอยู่ในจิตใจ แล้วก็มันก็อิ่มเอิบเบิก บ, บานแล้วก็เห็นชัดเจนว่าโอ้ยจิตเนี่ยกับร่างกายซึ่งมันขาดออกแากกันเนี่ยมันไม่ต่อกันไม่สืบต่อกันจริงๆเนี่ยมันมีอยู่จริงมันเห็นแบบนั้นแล้วจากนั้นมันก็อะไรอะไรก็เบาวางลงไปหมดอ่ะเด็กก็บาวางลงไปเองเการที่เข้าถึงความจริงเนี่ยบาวางลงไป ในสมัยที่ปฏิบัติแรกๆมันก็ไม่ได้มั่นใจเต็มร้อยเปอร์เซนรู้แต่ว่ามันมีความเพียรอยู่ในจิตอยากปฏิบัติต่อมาก็อาศัยการอธิษฐานจิตเนี่ยตรางนาอยากจะพ้นทุกอยากช่วยพระศาสนาเนี่ยไอ้พวกนี้มันมันก็เป็นพลังอันทำให้จิตใจเนี่ยมันมุ่งแน่วแน่มัน มันเหมือนกับว่ามันมันฝังลึกอยู่ในจิตใจอ่ะพอจะไปทำอย่างอื่นปั๊บใจจะไม่สบายขึ้นมากันทีเลยมันเหมือนกับว่ามีมันเหมือนมีอำนาจอันหนึ่งอ่ะคอยคอยควบคุมเราอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มาควบคุมแบบเป็นทาสอะไรนะมันว่าจะไปทำอะไรมันระหนักถึงตรงนี้ไม่มันเหมือนกับว่ามันไม่ได้นะเราต้องอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องหันมาตรงนี้แล้วมันจะสบายสบายอกสบายใจ แล้วก็ตั้งตั้งใจปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเนี่ ย, ยก็ปฏิบัติเรื่อยมาก็เล่าให้ฟังตรงนี้แหละว่าออการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้ธรรมพระองค์ที่จริงก็เป็นมนุษย์แต่ว่าอาศัยกำลังใจอาศัยความเพียรพยายามภายในจิตใจปณิธานที่แน่วแน่ความมุ่งมั่นภายในจิตใจ ที่มีความจริงจังอยู่ภายในจิตใจความเพียรพยายามความอดทนจงกระทั่งพระองค์เนี่ยสามารถตัดสู้รมได้เราผู้เป็นสาวกก็เหมือนกันถ้าหากว่าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีปณิธานที่แน่วแน่อย่างระดับพวกเรานี้เชื่อว่าเป็นไปได้ถ้าหากว่ามีความตั้งใจคือพระพุทธเจ้าเนี่ย ตัดเอาไว้ว่าความเพียรเนี่ยมาอันดับหนึ่งผู้ที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยผู้จะทึงเข้าถึงธรรมหรือว่ามีดวงตาเห็นธรรมของพระองค์ความเพียรต้องมาอันดับหนึ่งเลยต้องมีความเพียรพยายามเพราะฉะนั้นคําสอนของพระองค์พระองค์จึงกล่าวว่าเป็นกรรมวาทีแต่ต้องต้องเป็นคําสอนที่ต้องลงมือกระทําวิยาวาทีเป็นคําสอนที่สันเสริญการกระทําเนีำ เนื้อกวิยาวาทีเป็นคำสอนที่ต้องใช้ความเพียรเนี่ยต้องเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นถ้าหาว่าใครมีความเพียรพยายามเนี่ยกดน่าจะมีธรรมะของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นที่จิตใจเราจะนั่งอีกไม่นานเพราะว่ายุงเริ่มเริ่มมาแล้ว อ, อีกแป๊บเดียวให้เราตั้งสติ ลองปล่อยวางที่จิตใจของเราเพราะว่าอันข้อที่สองคือปัญญาปัญญาในที่นี้คือปล่อยวางได้หมายถึงว่าเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราสามารถควบคุมจิตใจของเราให้มั่นคงเราสามารถควบคุมจิตใจของเราให้เป็นปกติไม่เห็นจิตใจเราซัดสายออกไปพอเะ่นนั้นอะไรเกิดขึ้นมันเหมือนเป็นเครื่องทดสอบไปเลยเหมือนเครื่องท้าทายว่า เรามีกําลังใจเพียงพอไหมเรามีความอดทนเพียงพอไหมเนี่ยถ้าหากว่าเราอาศัยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นเครื่องมือฝึกจิตฝึกใจของเราเนี่ยเราจะได้ธรรมะทุกโอกาสทุกขณะจิตทุกเวลาในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละในขณะที่เรายังทํางานทําการยังเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมต่างๆนี่แหละ เราสามารถที่จะเห็นความเป็นธรรมดาที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราเนี้ยเพียงแต่ว่าเรามีสติเข้ามาควบคุมจิตใจของเรารักษาจิตใจของเราให้มั่นคงเอาไว้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็กลายเป็นเครื่องทดสอบหนึ่งมองไปเลยว่าอันนี้เป็นเครื่องทดสอบจิตใจเราเนี่ยแล้วก็เอามาเป็นบทเรียนสอนจิตสอนใจของเราเนี่ยบางทีบางทีมันมีอารมณ์อะไรนะ มันฝังลึกอยู่ในใจมันมีน้ำหนักต่อจิตใจเราแล้วเราปล่อยราวางไม่ได้เนี่ยะบางทีพอมันพอพอมีอะไรเกิดขึ้นปักจิตเราไปสนใจอย่างอื่นนจิตเนี่ยมันก็เร็วกันนะบางทีมันก็ช้ำเลืองมาดูไอตัวที่มันค้างคาอยู่ในจิตใจอะเห็นมันดับไปนะโอ้โหมันเหมือนกับแสงสว่างมันเกิดขึ้นภายในจิตใจได้ทันทีเลยนะนี่มันกลายเป็นปัญญานแสงสว่างแห่งปัญญาเนี่ยถึงมันจะน้อยนะอะ แต่ว่ามันมีค่ามากนะมันตัดพบตัดชาติไปโอ้โหไม่รู้กี่พบกี่ชาตินะการที่มันเห็นว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยการที่ละจิตของเราไม่หลงยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันจะรู้ว่าโอ้โเนี่ยพบชาติมันเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นนี่เองมันยึดมั่นถือมั่นก็เพราะมันเป็นหลงน่ะหลงว่ามีตัวเรามีของเราอ่ะอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้นี่คือที่มาแห่งทุกข์อ่ะเหตุแห่งทุกข์มันจะอยู่ที่จิตตรงเนี้ยถ้าหหาาาว่เเรได้็น เห็นอาการที่จิตมันมันวางนะมันถอยอามาเป็นอิสระนะแล้วเห็นปรากฏการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแค่แวับเดียวเท่านั้นแหละโอ้พระเจ้าสัมรส র มากเลยนะท่านถึงกลับว่าถึงมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่ามีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีแต่ไม่เห็นความเกิดดับของลูกนามข้อแรกก็คือความเพียรข้อที่สองคือปัญญาเห็นอนิจจังทุกขรังอนัตตาเห็นพระไตรลักษ ข้อที่สามก็คือบารมีอตาตมามั่นใจนะว่าคนที่มาเนี่ยต้องมีบารมีสิดูสิอินเดียอยู่ตั้งไกลอะเรายังอุสามดันดลมาจนได้เนี่ยมาถึงสถานที่ที่พระพุทธเจ้ากัสรู้แล้วก็ปริมิพา น, นต่อไปก็ประสูตรต่อไปก็แสดงพระธรรมวิเสนา แล้วรวมทั้งหลายแห่งซึ่งเป็นประวัติแห่งการที่พระองค์ประดิษฐานคำสอนของพระองค์ให้มั่นคงเนี่ยเราก็ผ่านมาเนี่ยมันจึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาเราผ่านไปผ่านไปมันจึงเหมือนมีน้ำหนักมากเหมือนกับว่าตอนที่เราอ่านเราศึกษาเนี่ยมันก็ได้แค่คำสอนนะพอมาเห็นสถานที่โอ้โห โอตรงนี้เหรอที่พระเจ้าพูดอย่างนั้นน่ะตรงนั้นเหรอที่พระเจ้าเนี่ยพูดกับอุคคลนั้นว่าอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะหรือมันไม่ลืมนะที่นี่มันฝังลึกเข้าไปในจิตใจถึงแม้ว่าเราจะจําคําของพระองค์ไม่ได้ทั้งหมดแต่ความหมายความลึกซึ้งในคําสอนของพระองค์อะ่ะมันฝังเข้ามาในจิตใจของเราแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยคุณค่ามันก็น้อยนะพอเรามาถึงแล้ว มันลึกซึ้งเข้าไปถึงใจแล้วมันทราบซึ้งมันประทับใจแล้วแต่พอเรากลับไปไม่นานน่ะพอเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่บ้านที่ประเทศของเราอ่ะบางทีมันจืดจางไปก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามให้มันมีความลึกซึ้งเข้าไปในจิตในใจของเราเนี่ยให้มันมีน้ำหนักภายในจิตใจของเราเนี่ยอย่างวันนี้ ท, ที่นั่งรถมาที่อ่านอ่า น, อ, านอ่านประวัติ อะไรมหาปานนิพพานสูตรอ่ะกีมานอ่ะมานวัสวัตตีมานมา ม, ม, ม, ม, มาอาราธนาให้พระพุทธเจ้าเนี่ยปรุงมายุสังขารอ่ะแต่ก่อนก็เคยอ่าน ว, ว่าเออพระพุทธเจ้าก็ก็ตอบโต้นะตอบโต้ว่านี่นะถ้ารอให้อารอให้ไอสาวกของเราเนี่ยเข้าใจธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะอะรู้ทั่วถึงธรรม แล้วก็สามารถที่จะนำเอาธรรมะเนี่ยไปถ่ายทอดไปสอนนะในหมู่สาวกด้วยกันได้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่ามีใครมาจ่วงจากคำสอนนะของพระพุทธศาสนาคำสอนของพระองค์เนี่ยให้สาวกนี่สามารถตอบโต้สามารถที่จะแก้ไขไอไอไอคำจากจ่วงนั้นได้พระองค์จึงจะฟริมนิพานเนี่ยเนี่ยมันมีสามข้อนะข้อแรกเลยนะ ต้องเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยเกี่ยวกับพวกเรานี่แหละว่าหนึ่งต้องเข้าใจเข้าใจแล้วต้องปฏิบัติได้เนี่ยปฏิบัติได้จนผลเนี่ยมันเกิดขึ oh ้นก hmm. like ับจิตใจของเราเองเนี่ยต้องเข้าใจแล้วต้องปฏิบัติได้ปฏิบัติได้ผลเกิดขึ้นกับจิตใจของเราข้อที่สองก็คือนําธรรมะที่มันมีผลเกิดขึ้นกับจิตใจเราแล้วเนี่ยเอามาสอนเอามาแนะนํากันได้เอามาช่วยเหลือกันได้ มีน้ำใจที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยไม่ว่าช่วยกันเผยแพร่คาสอนของพระพุทธเจ้าช่วยกันจันลงคาสอนของพระองค์ให้มีคุณประโยชน์ต่อจิตใจเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยพระองค์เน้นคิดตัวผู้ปฏิบัติก่อนคิดตัวเราก่อนให้รู้ให้เข้าใจแล้วปฏิบัติได้จากนั้นก็ช่วยกันไี่ว่าเป็นการกัลยาณมิตรซึ่งกันลยกันสุดท้ายนี่ต้องสามารถ แก้ไขเวลามีใครมาจากจ้วงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยมันเข้าไม่ถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่รู้เราจะเอาอะไรไปแก้บางทีนะมองไปมองถึงคำสอนของพระพเจ้เ์แล้วนะกับยิ่งเป็นห่วงเป็นห่วงเนี่ยเป็นห่วงผู้ที่มาสืบทอดคำสอนของพระองค์ไปซ้ำไปที่มันเหมือนจะไม่ตรงไปแล้วไม่ตรงกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้า หรือว่ามันออกไปไม่เหมือนกับไม่ตรงกับธรรมไม่ตรงกับพระวินัยเนี่ยมันยิ่งหนักอกหนักใจนะมันน่าหนักใจมันเหมือนกับว่ามันจะกลายเป็นว่าผู้ที่สืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทำลายคำสอนของพระพุทธเจ้าเสียเองนี่อันนี้นี่มันกระเทือนใจมากเลยนะยิ่งเรามายิ่งมาในประเทศอินเดียเนี่ยมันยิ่งมีความรู้สึกว่ามันหดหู่อีกแบบหนึ่ง มันเหมือนโอ้โหพระพุทธศาสนาเนี่ยในดินแดนพุทธภูมิในดินแดนที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยเหนือเนี่ยแล้วเวลามองไปที่ประเทศของเราก็เหมือนกันนะที่ตรงก็มีอยู่นะที่มันไม่ตรงที่มันเริ่มชัดสายออกไปที่มันเบี่ยงเบนออกไปเนี่ยก็เยอะอันนี้น่าเป็นห่วงมากถ้าหากว่าปฏิบัติตรงแล้วคําสอนของพระเจ้าเนี่ย ผู้ปฏิบัติเนี่ยมันต้องเป็นอันเดียวกันมันต้องตรงตามอาริยมรรมีองค์ตเนี่ยมันต้องเป็นไปเพื่อขัดเคลาตัวเองเป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าภายในจิตใจแล้วก็สามารถดับทุกภายในจิตใจได้ด้วยคือทุกมันจะต้องน้อยลงไปน้อยลงไปสุขสงบสะอาดจะต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ย มันเป็นหลักในการดำเนินชีวิตมันต้องเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่จิตใจของเราและถ้าเป็นไปได้ก็คือให้มันพ้นทุกข์ไปเลยถ้าหาว่าใครมีความแน่ใจว่าจะต้องให้พ้นทุกข์ในชาตินี้นั่นแสดงว่าอินทรีย์แกียลตาถ้าคนที่อินทรีย์แก่กล้าเนี่ยจะต้องดินน้นรนจะต้องพยายามอยู่ในจิตเนี่ยจะต้องเอาให้ลักมีอันนี้อันนี้เร็วเขามีความพร้อมจึงประกาศออกมาได้ แต่ถ้าหาว่าอย่างน้อยเอาละเรารู้สึกว่าเออเรายังไม่พร้อมสร้างบาราีไปก่อนก็ยังดีแต่ว่าให้มันตรงทางของพระพุทธเจ้าให้ภพชาติมันน้อยลงไปให้มันสั้นงลงไปก็มันก็นี่ก็เรียกว่าอินซีไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรพราะในครั้งพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะบางพวกฟังธรรมปักก็สามารถบรรลุธรรมไดนะ้ต่อมานะบางพวกก็ได้ยินได้ฟังแล้วไปปฏิบัติก็บรรลุธรรมได้ เราพวกก็พยายามอย่างพวกเราเนี่ยเป็นพวกที่เขาเรียกว่าเนยยะบุคคลฟังแล้วฟังอีกปฏิบัติตนะิดขัดก็มาสักถามนะบางทีจิตใจมันอ่อนแอลงไปกิเลสมันคอบงำอารมณ์มันคอบงำนะก็ลืมเลือนไปไม่สามารถที่จะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะกิเลสก็คอบงำไปความหุ่มหลงคอบงำไปได้ยินได้ฟังใหม่นะ ศึกษาใหม่เกิดความเข้าใจปฏิบัติอีกใจจิตใจเจริญก้าวหน้าขึ้นอีกนะ <c oughs> ก็กลับไปกลับมาจนกระทั่งสติปัญญาเราเพิ่มพูนขึ้นอินทรีย์เราแก่กล้าขึ้นอินทรีย์แก่กล้าขึ้นนะก็สามารถประหารกิเลสได้บรรลุมรรคบรรลุผลบรรลุนิพพานได้ในที่สุดเอาละให้เราสำร้ำดวจิตใจเป็นโอกาสสุดท้ายนะ แสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าแสดงความบูชาต่อพระพุทธเจ้าเอาจิตเอาใจเราทั้งหมดนี่แหละร้อมกายใจของเรานี่แหละเป็นเครื่องสักการะบูชาแด่พระพุทธเจ้าเนี่ยนี่บูชาอย่างแท้จริงเลยบูชาจริงๆเลยเราอุตส่าห์เดินทางมาแล้วได้มาถึงที่ที่เผาศรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ก็ต้องการให้เรา อนุสอนถึงความเป็นจริงความจริงคือสัจธรรมแม้แต่พระองค์เองศรีระของพระองค์มันก็ต้องแต่ดับสลายไปต้องเสื่อมสิ้นไปชีวิตของเราสุดท้ายมันก็ต้องเสื่อมสิ้นไปเหมือนกันเราก็พยายามที่จะเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยให้เป็นประโยชน์แก่จิตใจเรียกว่าให้เข้าถึงพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ประทานคําสอนเอาไว้ก็ให้เพื่อให้ สาวกของพระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติตามเพื่อให้จิตใจเนี่ยมีที่พึ่งทางจิตใจมีหลักทางจิตใจเนี่ยไม่งั้นแล้วมันจะเหมือนอย่างพระโอวาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเรากับกับพวกเธอเนี่ยพากันเล่นล่อนอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่เข้าไปถึงอริยสัจสีนั่นเองเนี่ยก็คือมันเป็นลุ่มไปหลงยึดนั่นยึดนี่มีตัวมีตนมีตัวเรามีของเราอยู่อะเนี่ยความทุกข์มันก็เลยติดตามมา การเวียนว่ายตายเกิดมันก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้แต่พอเราเข้าถึงแล้วเหตุแห่งทุกข์ก็คือเนี่ยความหลงลงของเราความยึดมั่นถือมั่นของเราความอยากที่อยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างเนี้มันหมดไปทุกข์ก็ดับไปเองเนี่ยแล้วมันก็เห็นด้วยว่าไม่ไม่ไมีอะไรเป็นเราเป็นของเราอ่ะกิเลสมันก็ถูกทําลายไปเหมือนกันเนี่ยมันไปพร้อมกันหมดเลยเพราะนั้นการรู้ความจริงกับการหมดกิเลสเนี่ยมันไปพร้อมกันนะครับว่า ถ้าว่ารู้ความจริงแต่กี่เรื่อไม่หมดก็แสดงว่ายังรู้ไม่จริงแต่รู้ยังไม่ถึงรู้ยังไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติกันต่อไปาสํารวมจิตใจพนโอกา ส, สุดท้ายนะเาสํารวมจิตใจพนโอกา ส, สุดท้ายนะรวมรวมจิตใจของเราดูตัวเองให้ชัดๆนะบูชาพระพุทธเจ้า และก็ตั้งใจอุทิบุญนะขออํานาจพระพุทธเจ้าอํานาจพระธรรมอำนาจพระสงฆ์จงโดยบรรดาบุญของข้าพเจ้า ท, าท่านไตรดีจนถึงปัจจุบันให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายที่ปกปักรักษาคุ้มครองสถ า, านที่แห่งนี้ให้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่ศรงสติอยู่ในบริเวณนี้ทุกชั้นทุกภูในกระใหแก่ญาติยโยดาที่รักษาและนายเย็นของข้าพเจ้า ให้แก่ผู้ที่ต้องการบุญจากข้ า, าวเจ้าทุกจันทุกภูมทั้งหมดทั้งสิงนพอท่านทร้งหลายจึงยินดีรับอบุญของข า, าวเจ้าในถือมา่รับอบุญแล้วต้องการสิ่งใดขอให้สมความซาปนาเดี๋ยวหนาแต่บุญที่ข้ า, าวเจ้าได้อยู่ที่ใครแล้วนี้เมื่อสมความซานาแล้วให้ศึกษาขอสันคลองในชีวิตเพื่อนุข้ า, าวเจ้าทาสิ่งใดไม่มีแต่ความราบลื่นไม่มีแต่ความสาเร็จมีแต่ความเจริญนเย ห้ยืนึ้นไปด้วยคือเอากาะ่ปาของกันนะรู้สึกจะมืดหมดเวลาแล้ว